ปัญยาธรรมใต้โบสถ์วัดยานเวศกวันจังหวัดนคนปรปฐมชุดพุทธธรรมหลักการดำเนินชีวิตพันที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองโดยพระคันชิต นวโรวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันจังหวัดนครปฐมขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านสําหรับในวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรก ของอคอร์สใหม่เพราะว่าในการสอนนั้นได้สอนจบไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนในวันที่สิบสองกรกฎาคมส5 5 2ันหหสิบสองนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของวันอาทิตย์ของวันเสาร์ก็เริ่มต้นไปแล้วเมื่อวานนี้นก็เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการสอนนั้นจะสอนรวมกันทั้งญาติโยมที่มาใหม่แล้วก็ญาติโยมที่จะ ศึกษาต่อเพื่อเป็นการทบทวนด้วยปกติแล้วในการสอนอาตมาจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือโ ย, ยมที่มาใหม่หรือมาแบบอย่างที่มาที่วัดก็แวะมาร่วมกิจกรรมนะเพราะว่าในการสอนช่วงหลังจะเป็นการสอนในขั้นพิพิธศนน์ซึ่งค่อนข้างจะยากนะแล้วก็ถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนโนะยมมาฟังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรนะ่แต่ตอนที่เริ่มต้นคอร์สใหม่นี้จะเป็นการสอนที่ทุกคนสามารถมาฟังได้ เพราะฉะนั้นก็เลยจะรวมกันรวมกันทั้งญาติโยมที่มาใหม่แล้วก็ญาติโยมที่จะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยดังในการสอนนั้นอาตมาจะสอนอย่างที่เรียกว่าเป็นระบบอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือมีครั้งหนึ่งมีผู้เลี้ยงมา้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าในการศึกษาหรือในการปฏิบัติ ธ, ธรรมในทางพุทธศาสนานั้น นะมีการปฏิบัติที่เป็นระบบไหมนะเพราะปกติพระพุทธเจ้าไปพบเสร็จปุ๊บก็สอนนะักค น, นนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็จบตรงนั้นเลยท่านะนนี้ก็เลยมีมาถามพรนะพุทธเจ้าก็ตรัสตอบบอกว่าโดยปกติเนี่ยในการสอนหรือในการศึกษานี้การศึกษาอย่างเป็นระบบก็มีนะแล้วท่านก็กล่าวไว้นะเริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่มีในเรื่องของมีศรัทธาในพระรัตนไตรเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์รักษาศีลรักษาศีลเสร็จแล้วก็มาสํารวมอินทรีย์แล้วก็ปฏิบัติในเรื่องของสมาธิเพื่อให้จิตผ่องใสไปจนกระทั่งปฏิบัติในเรื่องของปัญญาภาวนาซึ่งท่านก็จะกล่าวไว้หลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะในรูปแบบของขน 5, อันห้าอายตนะหกหรือว่าสติปัฏฐานสี่จนกระทั่ง รู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็จิตสุดทนเพราะในการสอนของอาตมานั้นอาตมาจะถือการสอนในลนักษณะที่การปฏิบัติแบบเป็นระบบเราะฉะนั้นจะไม่ข้ามขั้นตอนจะเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยซึ่งโยมโดยปกติทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงแรกๆนี่เหมือนเป็นพื้นเรื่องพื้นฐานนะแต่อาตมาเองคิดว่าพื้นฐานนี้ก็สําคัญถ้าเราเข้าใจเสียตั้งแต่พื้นฐานแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ต่อไปในการฝึกในการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะยิ่งเสริมนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในฝ่ายสมถะหรือว่าวิปัสสนาใหา้ประสบความสาเร็จหรือก้าวหน้าได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งนะถ้าโยมได้เริ่มต้นศึกษาเสียตั้งแต่พื้นฐานเลยนะพื้นฐานในที่นี้ก็คือพื้นฐานตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะซึ่งวันนี้จะเริ่มสอนที่พระพุทธก่อนนะ ว่าการรึกอย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับในชีวิตประจําวันของโยมรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยโยมก็จะได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นคนไทยของคนไทยเรานั้นมักจะปฏิบัติไปตามรูปแบบเท่านั้นโดยที่ลืมไปว่าอัตถะที่แท้จริงคืออะไรมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเราอย่างไรอันนี้ก็อธิบายให้โยมฟังก่อนนะการสอนในเรื่องของพื้นฐานนี้คิดว่าคงจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน พอเริ่มต้นถึงในขั้นสมาธิตรงนี้อาจจะเริ่มแยกยงเป็นสองกลุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้อธิบายให้ยงฟังก่อนเพราะว่าพอเป็นในสมาธิในขั้นที่เริ่มสูงมากขึ้นมากขึ้นยงที่มายงที่มาใหม่อาจจะฟังแล้วยังตามไม่ค่อยทันหรือบางท่านมาอาจจะได้อยากได้รูปแบบของวิธีการปฏิบัติอันนี้ก็จะแยกสอนเป็นสองกลุ่มเหมือนเดิมส่วนยงที่ มาเป็นประจำนั้นจะมีพื้นฐานพอที่จะเริ่มต้นปฏิบัติเองในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เวลาประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะอาจจะอตมาก็จะได้ลงมาคุยกับโยมต่อแล้วก็อาจจะเอาหัวข้อธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นมาสอนแล้วก็มาบอกเล่าให้กับโยมฟังอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการสอนของกรรมฐานใต้โบสถ์ มเมื่อสอนในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะกินเวลานานมากนะก็ในคอร์สที่แล้วนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งปีกับอีกสิบเดือ น, นโดยประมาณหนึ่งปีกับอีกประมาณสิบเดือนนะจนจนกระทั่งจบจบนี่ก็คือสอนถึงหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของพระนิพพานเลยนะพระนิพพานแล้วก็พระอริยบุคคลต่างๆ ทั้นี้หนังสือที่ถ้าโยมท่านใดสนใจหนังสือที่จะใช้ประกอบนั้นจะเป็นหนังสื อ, อพุทธธรรมฉบั บ, บขยายความนะพุทธธรรมฉบั บ, บขยายความนะซึ่งอาตามาจะแนะนําให้อ่านเป็นบทๆไปแต่ไม่ได้อ่านเริ่มต้นตั้งแต่บทที่หนึ่งนะถ้าอ่านเริ่มต้นตั้งแต่บทที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเริ่มอ่านเท่านั้นก็ถอยหมดเลยนะเพราะบทที่หนึ่งจะเป็นบทที่ค่อนข้างยากนะเรื่องขององค์ประกอบชีวิตเรื่องของ สภาพของขันห้าอายตนะหกนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มต้นจากในเรื่องของเรื่องง่ายๆก่อนก็จะเป็นครึ่งครึ่งเล่มหลังก่อนเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเรื่องของพุทธประวัติเรื่องของการฝึกในเรื่องของสมาธิแล้วถึงจะไปเริ่มต้นในเรื่องของการเอาจิตที่สงบนั้นมาสังเกตองประกอบของชีวิตในขั้นของวิปัสสนาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับไป เพันจะไม่ได้กระโดดหรือว่ า, าข้ามขั้นตอนไปนะส่วนโยมที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้ดีอยู่แล้ว mm hmm. ก็อาจจะฟังเอาไว้เป็นประกอบหรือว่าเป็นการทบทวนนะ mm hmm. ก็จะมเีเก็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้กับโยมฟังด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่จะสอนในกรรมฐานใต้โบสถนะ์อธิบายให้โยมเข้าใจก่อนซึ่งหลักนี้ถ้าจะพูดอย่างง่ายๆเลยนะ จะสรุปเป็นหัวข้ออย่างง่ายๆเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นจากรัตนตรยัยนะก็คือประพุทธธรรมประสงคนะ์จากรัตนตรัยเสร็จนะก็จะสอนโยมในเรื่องของธรรมะนะแล้วก็มาสู่ในเรื่องของไตรสิกขานะเอาหมดทรรแบบจำง่ายๆเลยนะสามอย่างแรกก็คือรัตนตรยัยนะจากรัตนตรัยก็จะมาสู่ในเรื่องของไตรสิกขานะซึ่งก็จะโยงมาไตรสิกขาโยมก็คงจะทราบดีอยู่แล้วกระมัง สีสมาธิปัญญานะซึ่งในเรื่องของสีนั้นก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวยอย่างให้ฟังแล้วก็อยากจะชักชวนให้โยมได้ปฏิบัติซึ่งสีนั้นจะมีรายละเอียดมากกว่าไม่ใช่แค่สีห้านะต้องบอกอ่างนี้นะไม่ใช่แค่สีห้ามีรายละเอียดมากกว่านั้นนะจากนั้นก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในฝ่ายของสมถกรรมฐานที่เราเรียกว่าสมาธินะเป็นการฝึก ในการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพสมรรถภาพอาจจะเรียกว่าเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมเพื่อที่เราจะเอามาใช้ในขั้นต่อไปถัดจากนั้นจะสอนเกี่ยวกับปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานั่นเองในฝ่ายของวิปัสสนาภาวนานั้นก็จะเริ่มต้นจะให้โยมสังเกตองค์ประกอบของชีวิตหมายถึงสังเกตจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จาคาพูดนะไม่ใช่เพียงแค่จาคาพูดแต่ว่าจะต้องสังเกต แล้วก็ใช้ใจที่สงบในสังเกต ต, ต, ตัวภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆจากในเรื่องของขันห้าและอายตนะหขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตนั่นเองนะมีอยู่5้าอย่างด้วยกันเราจะต้องสังเกตทั้ง5้าอย่างเราจะมาสังเกตต่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้ทํางานอย่างไรหรือส่งผลกระทบเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างไรเราจึงเกิดทุกข์ถ้าจากนั้นเราก็จะมาศึกษาต่ออีกว่าแล้วในภาวะอย่างนี้เราควรวางท่าทีอย่างไร จึงจะไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกในการวางท่าทีให้ถูกต้องก็คือในการกำจัดกิเลสนั่นเองตรงนี้ยาวมากนะตรงนี้จะยาวมากเลยนะถ้าโดยรายละเอียดเมื่อเราได้ฝึกแล้วนะก็จะบอกถึงผลที่ได้จากการฝึกนะผลที่ได้จากการฝึกในขั้นต่างๆรวมไปถึงผู้ประสบความสำเร็จในการฝึกในขั้นต่างๆว่ามีคุณลักษณะอย่างไรนั่นก็คือเรื่องของนิพพานและอรยิยบุคคล แล้วก็คงจะจบคอสเพียงแค่นี้นซึ่งเพียงแค่นี้โดยหลักแล้วจะเห็นว่ามันไม่เยอะอะเนาะแต่ว่าโดยรายละเอียดแล้วค่อนข้างเยอ ะ, ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหรือฝึกฝนให้ได้อย่างจริงจังหมายความว่ายมได้เรียนรู้ในแต่ละอาทิตย์แล้วยมต้องมีเวลาในแต่ละวันในการฝึกด้วยอาทิตย์หนึ่งมาฝึกเพียงแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแค่นี้อัตมาบอกได้เลยว่ายังไม่พอ ถ, ถ้าเราต้องการผลที่มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันโยมจะต้องเอาไปฝึกเอาไปสังเกตด้วยนะเพราะว่ากิเลสมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะตอนมาที่วัดแต่มันอยู่กับเราตลอดเวลานะเหมือนกับเราต้องการปัดกวาดเช็ดถูกระจกให้สะอาดนะวันนี้ถูสะอาดแล้วนะเดี๋ยวฝุ่นลงใหม่มันก็สกรปรกใหมนะ่ก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูกันอยู่เป็นประจำนะจนกว่า มันจะไม่มีกระจกของเราที่เป็นของเราแล้วนั่นแหละะถึงตรงนั้นก็ไม่ต้องปัดกวาดเช็ดถู อ, อะไรอีกละนะอะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนของในเรื่องของการสอนของกรรมฐานใต้โบสถะส่วนเอกสารประกอบเดี๋ยวอาตมาจะมีแจกให้เป็นระยะระยะนะอาจจะไม่ได้ให้ไปทีเดียวเพราะว่าได้ขอความอนุเคราะห์หนังสือจากพระดิคุณอาจารย์ด้วยว่ามีหนังสือบางเล่มแล้วก็มีญาติโยมบางท่านก็ได้ถวายหนังสือมาด้วยนะ หนังสือพุทธธรรมจะับบขยายความไม่ทราบว่ามีกี่ท่านที่ยังไม่มีบ้างที่มาที่นี่ช่วยยกมือนิดหนึ่งที่ยังไม่มีอ๋อก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่แสดงว่า ญ, ญาติโยมที่มาเก่าก็เยอะพอสมควรอันนี้เดี๋ยวอาตมาจะขออา่าลองดูนิดหนึ่งอาจจะเตรียมให้ในในช่วงของอาทิตย์หน้าแต่ขอโอกาสนิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อโยมรับไปทางวัดนั้นไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมทานทั้งหมด ขอให้โยมศึกษาและขอให้อ่านจริงๆนะขอให้อ่านจริงๆจริงจะเกิดประโยชน์นะถ้าเห็นว่าเป็นของฟรีแล้วรับไปเอาไปวางทิ้งไว้ที่บ้านอาตมาขอโอกาสก็แล้วกันนะเพราะว่าท่านอื่นที่อยากจะศึกษาท่านเขาจะได้มีโอกาสได้เอาไปศึกษาจริงๆแล้วก็จะได้สมกับวัตถุประสงค์ของญาติโยมที่อุตส่าหนะ์เสียสละทรัพย์ในการร่วมจัดพิมพ์เพื่อเอามาให้กับผู้ที่สนใจศึกษา นะเพราะหนังสือพุทธธรรมฉบับขยายความนี้อพระนักศึกษาหรือนักศึกษาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ใช่เป็นตำราหลักในการเรียนเลยนะมันเป็นหนังสือที่ดีมากแนะอาตมาถามโยมหลายคนแม้กระทั่งโยมที่มาทําบุญที่วัดเป็นประจําในแต่ละวันรู้จักหนังสือพุทธธรรมโอ้รู้จักหนังสือดีมากเลยโยมอ่านหรือยังอ่านจบหรือยังอืมนะ ขอไปอ่านจบสักไม่ถึงสักห้าเปอร์เซนะเท่าที่อาตมาได้ถามดูนะแต่บอกก็ดีมากแะอาตมาก็เลยแปลกใจอืดี ย, ยังไงเนาะในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรยังไม่ได้เข้าไปศึกษาเลยนะมในเรื่องของการมาถานใต้บทในที่นี้อาตมาก็อยากจะอ่าชวนโยมให้ศึกษาประกอบไปด้วยแล้วก็อาตมาจะอ้างอิงจากในหนังสือพุทธธรรมโยมจดไม่ทันหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปอ่านได้นะสามารถไปอ่านได้ แล้วก็อย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ต่างๆนะให้เป็นธรรมทานทั้งหมดขออยู่อย่างเดียวคือให้ตั้งใจศึกษาแล้วนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังกันแล้วกันผลทั้งหมดนั้นก็คือเพื่อตัวของโยมเองนะเพื่อตัวของโยมเองนะเพราะญาติโยมหลายท่านอุตสรสคทรัพย์สมบัติในการร่วมพิมพ์หรือร่วมกันในการจัดสถานที่ต่างๆรวมทั้งดูแลวัดนีะ่ก็เพื่อประโยชน์ของโยมเองนะเพราะฉะนั้นโยมเองต้องเอาประโยชน์นี้ให้ได้เต็มที่สําหรับโยมเองนะ และคนนี้ถ้ายมีน้ำใจมากกว่านั้นก็ไม่ใช่แค่ตัวโยมนะช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ในครอบครัวนะสิ่งที่ดีงามหลักการที่ดีงามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้าวช่วยกันนิดหนึ่งนะถ้าเราต้องการที่จะให้สังคมของเราดีงามขึ้นมาก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ละหนึ่งก็คือตัวเราต้องดีขึ้นมาก่อนสองก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันกระจายออกไปสู่สังคมอาตมาเชื่อว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ย ถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยนะสังคมไทยดีงามขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนนะพวกเราทุกคนถือว่ามีส่วนช่วยช่วยในการสร้างสารรค์คุณงามความดีหรือแม้แต่การทั้งโยมได้มาฟังธทำอย่างเนี้ยก็ถือว่าโยมได้ทําบุญแล้วนะใช่ไม่ใช่ะทําบุญในแง่ไหนในแง่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานและคนอื่นๆเพื่อนถามไปไหนไปวัดไปทําอะไรไปศึกษาธรรมะเี่ยเขาจะต้องสนใจอย่างแรกๆอาจจะว่า ไ, ไปทําอะไร เดี๋ยพอปัญหาเกิดขึ้นเขาจะเริ่มชักสนใจแล้วทาไมไปบ่อยจังใช่ไหมเนี่ยก็จะได้เป็นการช่วยกันชักจูงหรือปเป็นการชักชวนให้เกิดความดีงามขึ้นในสังคมนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่อาตมาได้กราวเอาไว้นะก็ขอให้โยมตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลอันนี้ผลดีก็เกิดขึ้นกับโยมด้วยเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับโยมด้วยแล้วก็เกิดขึ้นในสังคมของเราด้วยนะถ้าเกิดมีคําถามหรือมีปัญหาอะไร เดี๋ยวตอนที่อาตมาเปิดโอกาสให้ถามเนี่ยโยมสามารถถามได้เลยนะถามได้เต็มที่เลยยินดีนะอย่าไปคิดว่าเป็นการรบกวนพระอาจารย์นะไม่ได้เป็นการรบกวนหรอกนะเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ำนะเพราะว่าทยมสงสัยโยมศึกษาแล้วทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอาจจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของตัวผู้ถามด้วยรวมไปถึงค น, น, นอื่นๆที่เขาอาจจะไม่กล้าถามแต่มีคําถามอย่างเดียวกับเราด้วยนะก็เปิดโอกาสให้โยมถามได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้ความเข้าใจ ก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติจริงนะคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นสําคัญมากหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือมรรคนั้นจึงเริ่มต้นด้วยข้อที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคิอจะทําอะไรก็ตามเราต้องรู้เข้าใจรู้เข้าใจอย่างถูกต้องรู้ว่าเพื่ออะไรเพราะอะไรจะทําอย่างไรนะและวัดผลอย่างไรถ้ารู้เข้าใจอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วลงมือทําถ้าอย่างนี้แล้วก็เราก้าวหน้าไปในสิ่งที่เราทําได้อย่างแน่นอน อ้าวอันนี้ก็เป็นอารมพรบทให้โยมฟังนิดหนึ่งในเรื่องของการเรียนการสอนนะในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็สําหรับโยมที่สนใจศึกษานะแล้วก็จะมีซีดีซึ่งโยมเข้าอุตส่าห์ช่วยอัดให้นะปกติธรรมะไม่ค่อยได้อัดไว้แจกแล้วก็มีโยมเข้าอุตส่าห์ช่วยอัดให้นะก็จะมีแจกไว้อยู่ที่ด้านหลังรวมทั้งเป็นซีดธรรมะของอาจารย์ท่านอื่นๆมีอาจารย์มีพระเดชพระคุณพระพรมคุณาภรแล้วก็มีของอาจารย์พุทธธาตุด้วย ทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังนั้นให้เปล่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นนะเพียงแต่ขอโอกาสนิดหนึ่งว่าเอาไปแล้วฟังหน่อยอย่าเอาไปเก็บไว้เฉยๆนะอย่าเอาไปเก็บไว้เฉยๆแล้วถ้ายมไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วช่วยเอาไปให้กับคนที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์ต่อด้วยนะเรื่องของความดีงามเรื่องของธรรมะเนี่ยต้องช่วยกันอย่างนี้นะวันทั้งหมดที่นี่แจกเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ จะมีหนังสือแจกให้เป็นระยะระยะนะอรตมาได้ขอความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพรมขุนนาพร ล, ละนะท่านบอกว่าเอาเลยนะถ้าเกิดว่าโยมได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยหนังสือที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวจะเอามาให้กับโยมเป็นธรรมทานเพื่อจะได้เอาไว้ศึกษาต่อในช่วงระยะเวลาประมาณ7วันที่ประมาณสัก5้าหวันที่โยมไม่ได้มาที่วัดก็จะได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสําหรับโยมด้วยแล้วก็สมกับวัตถุประสงค์ของโยมที่อุตส่าห์ช่วยกันพิมพ์หนังสือมาถวายวัดเป็นธรรมทานด้วย ถ้าไทยทําอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแม้โยมไม่ได้ให้ในในแง่ของทานแต่โยมก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นการทําพึงงามความดีอย่างหนึ่งเหมือนกั น, นะจะเจริญเพาะเอาละในเบื้องต้นก็คงจะขอแนะนําเบื้องต้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้กับโยมไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะส่วนในเรื่องของนะถ้ามีวันหยุดหรือมีอะไรอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของตัวคอร์สเดี๋ยวอาตมาจะติดให้ที่บอร์ดที่อยู่ด้านข้างโบสถ์นะหรือจะติดไปให้นะมีโยมบอกว่าอยากจะทราบทั้งหมดเลย นะแต่ว่าในการสอนนั้นอาตมาอาจจะยังฟิกไม่ได้ว่าอาทิตย์นี้จะสอนเรื่องนี้ให้จบเพราะว่าเคยพยายามฟิกเหมือนกันแต่ว่าพอโยมมีคําถามขึ้นมามันก็ไม่จบนะก็เลยคิดว่าสอนแบบสบายๆนะโยมมีคําถามกระตอบเอาให้เข้าใจนะอ้าวจบหัวข้อนี้อาจจะต้องใช้เวล า, อาสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้โยมได้เข้าใจนะสิกษาได้เข้าใจแล้วเอาไปไประพติเอาไปใช้หรือเอาไปปฏิบัติได้แล้วเราก็ค่อยๆขึ้นหัวข้อถัดไป เป็นลำดับไปอย่างนี้ก็แล้วกันเอานะวันในวันนี้นะเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอาตมาก็อยากจะเริ่มต้นนะในเรื่องของการล่าเรียนศึกษาในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่เราจะต้องรู้จักนะหรือศึกษาให้ทราบถึงผู้ที่เป็นศาสดาของเราเสียก่อนนะนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะอางน้อยที่สุดก็ควรจะต้องทราบว่า ท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่ในที่นี้คงไม่ได้เล่าเป็นพุทธประวัตินะเพราะว่าหลายๆคนคงจะได้เรียนมาแล้วนะแต่อาตามา จ, จะเล่าเกร็ดแล้วก็หลักสําคัญสาคัญบางส่วนบางประเด็นซึ่งจะได้เป็นอนุสติสำหรับโยมนะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับญาติโยมเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการฝึกแล้วก็ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปด้วยเพราะในเมื่อจะเล่าเรื่องนี้ก็จะขอย้อนกลับไป ย้อนกลับไปเป็นระยะเวลานานนะนานมากเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ 2,500 ปีนะไม่ใช่ 2,500 ปี 2,500 ปกว่าปีนั้นยังนับว่าไม่นาน 2,500 กว่าปีนั้นก็คือในยุคสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ใช่ไหมอันนี้โยมก็คงจะได้เรียนรู้และทราบอยู่แล้วแต่ตมาจะย้อนกลับไปยาวนานมากกว่านั้นนะไม่ใช่อัตมาไปเห็นไม่ได้เห็นหรอกนะนี่ก็อ่านจากในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ เอามาเล่าให้กับโยมฟังย้อนกลับไปประมาณสี่อสงไข์กับอีกหนึ่งแสนกับนานแค่ไหนสี่อสงไข์กับหนึ่งแสนกับอ้าวอัตมาก็บอกนิดหนึ่งเขาว่ากับนี่เป็นหน่วยเหมือนกับเราเวลานับเวลาก็นับเป็นอะไรเอ่ยวินาทีนาทีชั่วโมงวันแล้วก็ปีใช่ไหมแต่กับนั้นบอกว่ามันมากกว่าปีเยอะ ระยะเวลาหนึ่งกับเนี่ยนานแค่ไหนนะเอาอันนี้เป็นหน่วยนะกับนี้เป็นหน่วยนะหนึ่งกับนานแค่ไหนนะหนึ่งกับในที่นี้ท่านหมายถึงระยะเวลานับตั้งแต่โลกถือกำเนิดนะจนกระทั่งโลกแตกทำลายนะเพราะฉะนั้นที่นักวิทยาศาสตร์บอกโลกนั้นเป็นบิบแแบงเข้ามาแล้วกาะเกิดโลกขึ้นมานะ อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปนานละนะแต่ไม่ได้บอกว่าบิ๊กแบงหรอกนะบอกว่าโลกนั้นมีการถือกาเ น, นิดขึ้นมาแล้วก็จะมีอายุของโลกนะแล้วก็จะมีอายุของโลกด้วยนะเมื่อโลกถือกาเ น, นิดขึ้นมานะเมื่อตั้งอยู่ได้นะในระยะเวลาหนึ่งโลกนี้ก็จะแตกทำลายไปแล้วก็จะเกิดโลกใหม่นะเกิดขึ้นมานะโลกในที่นี้ก็หมายถึงลกโลกของเราเนี่แหละนะ ที่ที่เราอาศัยอยู่อย่างนี้นี่แหละแล้วก็จะมีสัตว์มาอาศัยอยู่ตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แตกทำลายไปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดวันระยะเวลานับตั้งแต่โลกถือกาเนิดจนกระทั่งโลกแตกทำลายเราเรียกว่า ร, ระยะเวลาหนึ่งกับหนึ่งกับหรือบางครั้งนะเวลาในคว่าหนึ่งกับนั้นท่านใช้ในสองความหมาย ในความหมายแรกนะก็คือระยะเวลาตั้งแต่โลกถือกำเนิดจนกระทั่งโลกแตกํำลายนะกับอย่างนี้นะเวลาเรียกแบบเต็มท่านจะเรียกว่ามหากับนะเรียกว่ามหากับกับในที่นี้ก็กอไก่ไม้ธะเกาศปอปลาแล้วก็ปอปลากรนะันเราจะเรียกว่ามหากับนะกับอีกอย่างที่สองนะกับอย่างที่สองระยะเวลาในตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งมนุษย์ตายนะหนึ่งช่วงชีวิตของมนุษย์ บาที่ท่านก็จะใช้คําว่ากับเช่นเดียวกันนะหนึ่งกับนะความหมายกับอย่างที่สองนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้กับพระอนนทนะ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจ ะ, ะจะปรองพระชนมายุสังขารนนะที่ปาวาระเจดีท่านบอกกับพระอานนท์อย่างนี้ว่าบุคคลหากเจริญอิทธิบาทสี่ได้บริบูรณ์แล้วแม้ปรารถนาก็สามารถมีอายุยืนยาวอยู่ได้ถึงหนึ่งกับ นึ่งกับในที่นี้ไม่ใช่โลกถือกําเนิดถึงจนกระทั่งโลกแตกทําลายนะแต่หมายถึงหนึ่งช่วงอายุขยของมนุษย์ซึ่งก็จะมีแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยอายุขยของมนุษย์ที่มากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนปีนถ้านับหน่วยอย่างปัจจุบันนะน้อยที่สุดก็คือสิบปีสิบปีนั้นยังในอนาคตอีกยาวไกล น, น, นั้นคือเป็นระยะเวลาของการใช้งานรู ป, ปธรรมก็คือร่างกายนี้ได้ ในยุคที่มนุษย์อายุหนึ่งแสนปีนะหนึ่งกับที่มีอายุหนึ่งแสนปีนั้นนะเป็นยุคที่มนุษย์เจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจมากที่สุดนะคุณธรรมทางด้านจิตใจของค น, ขอ ง, นของมนุษย์ในยุคนั้นจะมากนะมากคุณธรรมความดีสูงมากจิตใจสูงมากเหมือนเทวดาเลยละนะมนุษย์ในยุคนั้นเนยะจิตใจเ ร, เรียกว่าจิตใจแบบเทวดาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ในยุคนั้นมีอยู่สมโรคเท่านั้นมีอยู่สมโรคเท่านั้นเอง ได้แก่อะไรเมื่อคนใดเกิดความรู้สึกกุดหงิดหรือกโกรธนั่นแหละเขาป่วยนะนั่นบอกนั่นแหละกําลังเป็นโรคภัยไข้เจ็บล้วนะตก็หมายถึงอกุศลก็คือความความกโกรธเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วเรียกว่าป่วยละเกิดอาการอยากได้นะั่นแหละเรียกว่าปว่วยลนะวันถ้าเทียบกับเราในยุคนี้เป็นยังไง <c oughs> ป่วยหนักเลยใช่ไหม <c oughs> เราในยุคนี้ป่วยหนักเลยนะคนในยุคนั้นนะในในใ น, ใ น, ในอายุหนึ่งแสนปีนี้เนี่ยตอนที่ยุคที่มนุษย์เจริญรุ่งเรืองจิตใจเจริญรุ่งเรืองมีคุณธรรมความดีสูงมากเนี่ยอาการจะป่วยไม่อยู่แค่นี้ไม่ต้องไปพูดถึงอาการจะป่วยทางด้านร่างกายนะอาการป่วยหรืออาการไม่สบายของเขาก็คืออาการที่จิตใจนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นนั่นเองนะยังไม่หมดกิเลสเสียทีเดียวแต่ว่ากิเลสเบาบางมากนะกิเลสเบาบางมากยุคนั้นจึงเป็นเป็นยุคที่ สิ่งแวดล้อมดีมากนะจิตใจของมนุษย์ดีมากนะแต่อายุของมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมความดีในจิตใจของมนุษย์นะพอหนึ่งแสนปีตอนต่อมาเนี่ยพอมนุษย์เริ่มสบายมีความสุขนะก็จะเริ่มเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นละอายุมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงในยุคพุทธกาลเนี่ยอายุขของมนุษย์ในยุคนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยี่สิบปี ยุคนั้นถือว่าคุณธรรมความดีก็สูงแล้วนะแต่ถ้าเทียบกับยุคในในยุคที่อายุมนุษย์หนึ่งแสนปีนั้นอายุมนุษย์หนึ่งแสนปีนั้นคุณธรรมโดยรวมของคนนั้นสูงกว่าแต่ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ถือกําเนิดในยุคนั้นนะอันนี้โดยภาพรวมมาถึงเราในปัจจุบันนี้ถึงไม่้อยยี่สิบปีเห็นไหมลดลงไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตเถอะคุณธรรมความดีในจิตใจของมนุษย์ลดลงไปไเรื่อยเช่นเดียวกัน แต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะรุ่นต่อจากนี้จะหนักกว่าเราอีกจิตใจก็จะเสื่อมมากกว่านี้อีกอายุมนุษย์อายุไขของมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคที่มนุษย์อายุสิบปีเท่านั้นเกิดมาประมาณสีห้าขวบแต่งงานมีลูกสิบขวบก็ตายแล้วสิบปีก็ตายแล้วเป็นไม่ได้ไหมยังว่าเป็นไปได้ไหม ยมอาจจะสงสัยเด็กสิบัวบปัจจุบันตัวเลขกระจิตลิดอย่างนี้ไปมีลูกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้คิดอย่างเล่นๆ น, นะยมลองนึกซิว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีจเจริญแค่ไหนมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเทคโนโลยีนี้จะส่งผลกับภาวะร่างกายของมนุษย์อย่างไรเทคโนโลยีอย่าง ง, ง่ายๆการโคลนนิง่งเวลาคนจิตใจเสื่อมเนี่ยจะคานึงไหม ว่า น, นั่นคือ C หนึ่งชีวิตถ้าอยากได้ลูกฉันอยากได้ลูกมีลักษณะอย่างเงี้ยไม่อยากตั้งท้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวเคยได้ยินแกะดอลลี่ไหมเอ่ยแกะดอลลี่อายุเท่าไหร่แกะดอลลี่นี่เกิดมาเนี่ยอายุสั้นกว่าแกะปกติแกะเร็วกว่าแกะปกติ เป็นแกะที่เกิดจากการโคลนนิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะอันนี้คิดเอาเรียกว่าคิดเล่นๆกันแล้วกันเอาจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไปอาจจะมากกว่านี้ต่อไปอาจจะมากกว่านี้เอาละอยากได้มนุษย์สักคนหนึ่งจะเป็นผู้ชายผู้หญิงสลับเศษอาจจะสั่งซื้อได้ไปโคลนนิ่งขึ้นมาจะเอาสเปกยังไงแต่ชีวิตถัดจากนั้นฉันไม่รับผิดชอบ นั่นคือในยุคที่มนุษย์จิตใจเสื่อมลงไปอยากได้คนมาทํางานมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ฉันมีเงินจ่ายซื้อมาทํางานให้ข้าวให้น้ําแค่นั้นพอโดยไม่ต้องคนึงถึงจิตใจของเขาเห็นไหมแล้วร่างกายสภาพชีวิตมันก็จะเสื่อมลงไปไเรื่อยอันนี้ไม่ได้มีกล่าวในประไตจปีดกนะอาตมายกตัวอย่างว่าถ้าดูจากเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วมันมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้น ปัจจุบนันนี้การโคลนนิ่งมนุษย์เนี่ยยังถือว่าผิดกฎหมายแต่ยุคต่อไปอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้เมื่อมนุษย์มีความโลภมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความเห็นแก่ได้มากขึ้นอาจจะไม่ได้คํานึงแล้วนะแล้วมันก็จะส่งผลกับสิง่งแวดล้อมและสังคมให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าเรามองในลนักษณะนี้มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้นะในยุคที่มนุษย์อายุสิบปีนั้นท่านบอกว่าเป็นยุคที่มนุษย์ จิตใจเสื่อมสามมากที่สุดนะไม่เลือกพี่เลือกน้องฆนะ่ากันกิกนฆนะ่ากันกินกันเองยุคนั้นมะืดเจ็ดวันสว่างเจ็ดวันพอมืดก็ฆ่ากันเองกินกันเองแล้วก็เขาผ่นะสมสู่กันไม่เลือด ก, นะก็เกือบจะไม่ต่างจากสัตว์ละต่อมาก็จะมีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่า ศีลทำเสี่มโทรงไปเยอะทำอย่างนี้แล้วพวกเราลำบากเดือดร้อนจึงเริ่มหันกลับมารักษาศีลเมื่อคุณนนทำความดีเริ่มเจริญมากขึ้นอายุขยของมนุษย์ก็เริ่มมากขึ้นตามลำดับ ก, ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าโลกจะเสื่อมสลายไปนะจนกว่าโลกนี้จะแตกทำลายอันนี้เล่าให้ฟังถ้าโยมท่านใดสนใจเรื่องนี้นะมีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วนะ มีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วกําเนิดเรื่องของพระมหากระไซก็จะ ก, กับวติวัสูตและกับเรื่องของกําเนิดโลกก็อคัญยสูตนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งกับในที่นี้นะก็หมายถึงหนึ่งกับก็คือหนึ่งกับช่วงอายุมนุษย์ดงนั้นปัจจุบันนี้อาจจะไม่ถึงแล้วใช่ไหมสภาพร่างกายนะอาจจะได้ไม่ถึงร้อยปีร้อยยีสิบปีอย่างสมัยพุทธกาล เอานะาว่าจะพูดถึงหนึ่งกับเป็นมหากับตอนนี้ก็เลยยืดยาวออกมานะก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะโยมจะได้เข้าใจวันหนึ่งมหากับก็คือนับตั้งแต่โลกถือกำเนิดแล้วก็แตกทำลายมนุษย์จะเกิดอีกกี่ชาติเนี่ยนับกันไม่ท้วแล้วนะครี้นระยะเวลานี้นานแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์ยังคำนวณไม่ได้ยังไม่รู้หรอกนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ ระยะเวลาหนึ่งมหากัปนะหรือว่าระยะเวลาตั้งแต่โลกถืกอกำเนิดจนกระทั่งโลกแตกทหลายนั้นเป็นระยะเวลายาวนานมากพูดเป็นหน่วยอย่างที่เราคุยกันมันไม่ได้ท่านก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังนะท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ระยะเวลาหนึ่งกัปถ้าโดยเปรียบเทียบนะเปรียบเหมือนมีภูเขาหินแท่งทึบกว้างหนึ่งโยศูน์หนึ่งโยศ ยาวหนึ่งโยดนหนึ่งโยชนนี่เป็นหน่วยวัดในสมัยก่อนถ้าเทียบกับหน่วยวัดในสมัยปัจจุบันหนึ่งโยชนก็เท่ากับสิบหกกิโลเมตรใหญ่ไหมลองลองนึกดูกันแล้วกันสิบหกิโลเมตรนี่ประมาณไหนเอ่ยประมาณครึ่งทางโดยประมาณนะครึ่งทางจากที่วัดไปที่สะพานปิ่นเกล้าโดยปกติโดยตรงนี้จะอยู่ที่ราวสักสาสิกว่ากิโล ประมาณครึ่งทางนะประมาณครึ่งทางนะกว้าง16กิโเมตรยาว16กิโลเมตรสูง16กิโเมตร100ปนะีปีก็คือนับปีแบบเราเนี่ยแหละนะ365วัน100ปีมีเทวดาเอาผ้าเนื้อดีผ้าเนื้อละเอียดมากนะผ้าอย่างบางเนื้อละเอียดมาก มารูปหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยปีรูปหนึ่งครั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรูปให้ผู้เขาเห็นแท่งทึบนี้เตียนโลง่งคือหมดไปท่านบอกว่าหนึ่งกลับยังมากกว่านั้นไปคำนวณเอาเองก็แล้วกันนะเอารูปหนึ่งครั้งเนี่ยมันสึกลงไปสักสักเท่าไหร่นะ เอาแค่โต๊ะเนี่ยตมายังไม่แล่นะสักสักร้อยรูปสักพันปีเนี่ยมันจะหมดหรือเปล่านะแค่โต๊ะตัวนี้นะถ้าเอาผ้ามารูปร้อยปีมารูปหนึ่งครั้งร้อยปีมารูปหนึ่งครั้งพันปีก็รูปแค่กี่ครั้งเองสิบครั้งนั้นเองนะอันนี้โดยอุปมาบางที่อุปมานี้ิยมอาจจะบอกหอเห็นไม่ชัดมันนับไม่ได้อ่ะเอาแบบนับได้ก็ได้นะท่ามีอุปมาอีกอย่างหนึ่งท่านอุปมาไว้อย่างนี้ เรียบเหมือนมีเมืองหรือภาชนะกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรกว้างคุณยาวคุณสูงอย่างละ16กิโลเมตรเอาเมเล็ดงาใส่ลงไปในภาชนะนี้จนเต็มรู้จักเม็ดงาไหมเอ่ยรู้จักนะบางคนอาจจะเคยชงดื่มนะเม็ดงาในเม็ดตักขึ้นมาช้อนหนึ่งจะมีสักกี่เม็ด นับไม่ได้เลยใช่ไหมนับไม่ได้นะมาว่าเยอะมากกว่าน่าจะมากกว่าพันนะน่าจะมากกว่าพันเมล็ดหนึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยนะเอามเมล็ดงาใส่ลงไปในเมืองนี้จนเต็มหนึ่งร้อยปีเอาออกหนึ่งเมล็ดเวลาที่ใช้จนกระทั่งเอาเมเล็ดงาออกจากภาชนะนั้นจนหมดท่านบอกว่าหนึ่งกลับยังมากกว่านั้นอ้าว ใครเป็นนักคำนวณลองไปคำนวณดูกันแล้วกันเอาเม็ดงามมาแช่งแล้วลองนับเมล็ดดูนะแล้วลองเทียบปริมาตรดูนะอันนั้นก็จะออกมาหน่วยเป็นแล้วก็คูณหนึ่งร้อยปีเข้าไปนะอันนี้คือหน่วยหนึ่งกับนะหนึ่งกับคราวนี้ที่อาตมาบอกคื อ, อสี่อสงไข่อสงไข่นั้นเป็นหน่วยนับพหุคูณถ้าเทียบในปัจจุบันเนี่ยคือสิบยกกําลังประมาณสองร้อยกว่า สิยกกำลังประมาณสองร้อยกับกว่าเพระาะฉะนั้นสี่อสงไขยก็คือสี่คูณสิบยกกำลัง200สองร้อยเศษเศษหนึ่งแสนกับคือบวกเข้าไปอีกหนึ่งแสนแล้วคูณด้วยระยะหน่วยก็คือกับโยมก็เอาระยะเวลาหนึ่งกับที่โยมคำนวณได้อะมาคูณอีกทีหนึ่งหน่วยจริงจะออกมาเป็นปีอ้าวย้อนหลังกลับไปนานประมาณนั้น พระพุทธเจ้าท่านไดตรัเอาไว้นะในพุทธวงศนะ์ท่านบอกว่าย้อนย้อนกลับไปประมาณสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับในสมัยนั้นนะเป็นสมัยที่มนุษย์เจริญรุ่งเรืองนะและมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือกำเนิดพระสัมมาสัพพุทธเจ้านี่ถือกำเนิดมาหลายพระองค์เลยนะมาหลายพระองค์เลยเกินนะสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับที่แล้วนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือกำเนิดนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระนามว่า ทีปังกรพุทธเจ้าเคยได้ยินใช่ไหมนะชื่อทีปังกรนะพระทีปังกรสมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นนะมีพราหมอยู่คนหนึ่งนะเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์พราหมณ์นะมคนนี้ชื่อว่าสุมเมศนะสุมเมศนะเป็นพราหมณ์ที่มีความรู้เล่าเรียนเจนจบในวิชาต่างๆนะสามารถทำงานเก็บเงินได้หลายโกรธ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็เป็นโกดโกดก็นับเป็นเป็นหน่วยนะก็เรียกว่าเป็นพรามที่มีฐานะร่ำรวยมากนะต่อมาพรามสุมเมศนี้นะมาเร็งเห็นถึงชีวิตว่าเอชีวิตของคนเราเกิดมาสุดท้ายก็บายหน้าไปสู่ความตายมันไม่ดีมีแก่นสารไม่ได้มีสาระนะมีความทุกข์ต้องมีการหน้าที่การงานรับผิดชอบอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ เราจะมามัวยินดีอยู่กับร่างกายที่จะต้องเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่ทําไมเราควรจะออกไปสแสวงหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตความหลุดพ้นนะท่านก็เรียกว่าเราพึงออกไปสแสวงหาอมาตะธรรมนะไม่ควรมานั่งยินดีอยู่กับพวกนี้แล้วนะเพราะสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยแม้ร่างกายนี้สุดท้ายก็ต้องเน่าเปื่อยไป เป็นของที่ไม่น่ายินดีสุมเมศปรารบในเหตุนี้นะเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นก็เลยสลักทรัพย์สมบัติบริจาคหมดเลยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หลายโกดบริจาคหมดเมื่อบริจาคหมดแล้วนะก็เพาะคลองผ้าตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นเป็นผ้านุ่งทำด้วยเปลือกไม้แบบลุษีแล้วก็เดินทางไปสู่ป่าหิมะวัน นะป่าหิมวันไปที่นั่นเพื่ออะไรไปเพื่อหาความหลุดพ้นแสวงหาความหลุดพ้นสุมเมตาบทไปบาเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าหิมะวันต่อมาไม่นานนะก็สามารถได้ฌานได้สมาธิขั้นสูงถึงอรุ ป, ปรฌานเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เป็นผู้ที่มีฤนะทธิ์สุมเมตตาบทนั้นอยู่ที่ป่าหิมะวันนั้นนะก็ เพลิดเพินและยินดีอยู่กับฌานเพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสงบอย่างยิ่งนั่นเองในยุคนั้นปรากฏว่าพระธีบังกรพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สุมเมตาบทก็ไม่ทราบพระมโมเดเข้าฌานโมเดเข้าฌานก็ไม่ทราบว่าพระสมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วนะจริงๆเวลาพระสมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจะมีเหตุนะมีตั้งแต่แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวเทวดาทั้งหลายย่อมแท่สองนีอันนี้เป็นเป็นเหตุทําให้คนได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่มีฤทธิ์ได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถือกําเนิดขึ้นในโลกนี้แล้วแต่เนื่องจากสเุเมตดาบทเข้าฌานไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วจิตก็ดิ่งแน่วอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานของสมาธิเท่านั้นเองจึงไม่ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้ว พระสมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกอนั้นก็ได้ออกเผยแพร่พระศาสนานะจนกระทั่งนะมีชาวบ้านนะก็นิมนต์พระสมมาสัมพุทธเจ้าทีพังกอนพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆนะ์นิมนต์ท่านไปพำหนักอยู่ที่ปัจจันตะประเทศนะปัจจันตประเทศก็คือประเทศที่ห่างไกลนั่นเองครนะั้นเมื่อ น, นิมนต์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกอย่างนี้พนะอชาวบ้าน<ม>ชาวเมืองรู้ว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้า จะเดินทางไปในทิศทางไหนเป็นยังไงเอ่ยไปช่วยกันเลยนะกุลีกุจอช่วยกันแพรวถางทา ง, ทางช่วยกันกรบหลุมกรบบ่อเพื่อหวังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกนั้นจะได้เดินทางได้โดยสะดวกอย่างน้อยขอให้มีส่วนร่วมในการทําบุญในการเอื้อโอกาสหรือในการอำนวยโอกาสให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองจะ ก, กุรีกุจอเตรียมต้อนรับขับสู้อย่างดีช่วยกันแพร่ถางทาง ด้วยความเต็มใจอ่านเนี่ยโยมก็ดูกันแล้วกันนะเนี่ยน้ําใจของคนในสมัยพุทธกาลถ้ารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรื อ, อพระสาวกจะไปที่ไหนพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่นี่คือความเสียสละในสมัยนั้นส ม, มยัยตาบทออกจากฌานแล้วก็หอบมานะจะมาเข้ามาลิ้มรสของหวานของเค็มในเมืองเมื่อหอบมามองลงไปข้างล่างเห็นชาวบ้านกําลังปรับแพร่ทางอยู่ ก็เลยแปลกใจเอ๊ะเขากําลังทําอะไรท่านก็เลยเหาะลงไปไปถามชาวบ้านเข้าใจว่าสมัยนั้นคงจะมีฤาษีหาะกันว่อนอยู่อยู่บนฟ้านะเพราะว่าเท่าที่อาตมาได้อ่านดูตรงนี้เนี่ยไม่มีใครแตกตื่นเลยนะไม่มีใครแตกตื่นในเรื่องของสเมเด็จดาบถอดเหาะมาเลยนะก็เข้าใจว่าเป็นยุคที่ในเรื่องของจิตใจเรื่องของการฝึกจิตนั้นจเจริญรุ่เรงเรืองมาก นะเรื่องของผู้ที่มีฤทธิ์นะี่อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของในสมัยนั้นเหมือนกับเราปัจจุบันใช่ไหม<ส>เห็นเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคนในปัจจุบันเนี่ยเครื่องบินคอปเตอร์บินผ่านวั น, นี้โอ้มาบินทําไมแถวนี้ไปบินไกลๆใช่ไหมคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ถ้าไปบินในสมัยอยุธยาเนี่ยคงจะแตกตื่นกันทั้งเมือ ง, งนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นกระหมังนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะสมัยตาบดเหาะลงไปเมื่อลงไปแล้วก็เลยไปถามชาวเมืองบอกว่าอ้าวท่าน ท่านปรับแผ่วถางทางกันทําไมนะท่านกําลังทําอะไรกันอยู่หรือชาวเมืองก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกจะเสด็จผ่านมาทางนี้จะเดินทางผ่านมาทางนี้สมเม็ดดาบทพอได้ยินคําว่าพุทธะนะพุทธเท่านั้นปรากฏว่าอาการปีติเกิดขึ้นจิตใจเกิดความปิติจิตใจเกิดความอิ่มเ อ, อิบเกิดความห่องใส ได้ยินเพียงแค่คำ ว, ว่าพุท ธ, ธะเท่านั้นจิตใจเกิดความปิติจิตใจเกิดความปลอดโปร่งคือจิตใจเกิดความผ่องใสสุมเมตดาบทก็ได้แตล่ลำพึงออกมาว่าพุโทโธพุธโทโธก็คือพุท ธ, ธะนั่นเองพุท ธ, ธะก็หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองสุมเมตตาบทเพียงแค่ได้ยินชื่อท่านอย่างรู้สึกอย่างนี้ท่านก็เลยขอโอกาสชาเมืองคนนั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยได้ไหม ขอช่วยแผ่วถางทางปรับที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเดินทางผ่านมาด้วยขอให้เราได้มีโอกาสมีส่วนในบุญนี้ด้วยทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วยเพียงแค่ได้ยินคำว่าพุท ธ, ธะเท่านั้นชาวเมืองก็ให้โอกาส